ขอโอกาสค่ะมีบางคนที่อยากจะ เ, เดินเข้ามาปฏิบัติธรรมเคยได้ยินว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเยอะเข้ากรรมฐานสามวันเจ็ดวันบ้างแล้วก็กลับบ้านไปก็จะรู้สึกเพ้นเพี้ยนอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ภาพรวมหน่อยนึงเจ้า ค, ค่ะว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้ทําให้บุคคลคนนั้น เพี้ยนหรือเกิดความบ้าอย่างที่พูดกันเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติแบบไหนเจ้าค่ะหรือมีความคิดแบบไหนเจ้าค่ะ ต, ตรงนี้ตรงนี้ถ้าสังเกตดูนะว่ามันมันมีส่วนตรงที่ว่าคนบางคนเนี่ยก่อนจะเข้ามาบางทีก็มีอาการทางจิตไม่ค่อยดีแล้วเป็นส่วนใหญ่ เ, เคยมีการทาวิจัยกันในเรื่องนี้วิจัย คือบางคนเ น, เนี่ยออกสื่อออกทีวีเยอะก็เป็นที่ชื่นชมว่าท่านบุญเนี้คงยจะยกตัวอย่างเช่นออกสื่อในการเชิญชวนในการปฏิบัติแล้วก็ภาพที่แสดงออกคือเป็นคนดูเยือกเย็นดูเมตตาจิตดูอะไรต่างๆนี่สภาพสังคมไทยมันเป็นสภาพสังคมที่มารยะหลังเนี่ยมันเป็นยุคของการแข่งขันภาวะเศรษฐกิจเริ่มบีบคัต คนจานวนคนก็มากขึ้นทรัพยากรในประเทศก็ลดลงลดลงตรงนี้ถ้าสืบเอาในในชั้นของชาดกมามาเล่าเนี่ยเราจะเห็นชัดที่บอกว่ามีนกเออเรียกนกยุงทองตะกูลนะกนนมีมีแท้จริงเองมีตะกูตะกูลหนึ่งนะเป็นครวะเป็นเป็นเป็นครหัขเนี่ยพ่อและแม่แล้วก็มีลูก4ี่คน นะมีลูกสี่คนทีนี้อยู่ต่อมาก็คือว่าพ่อเนะี่ยตายพอตายไปแล้วเนี่ยพ่อเขาไปเกิดเป็นนกอัเ น, นี้ยนกยุงทองนกอะไรนี่นี้วเขาไปเกิดแล้วอยู่ต่อมาก็คือเป็นห่วงนีหลายลูกจะรู้ว่าหางตนเองเป็นทองคําปีกตนเองเนี่ยเนี่ยขนเนี่ยเป็นทองคําก็อุตสาหบินมาจากป่า มาไปเสร็จก็มาจับที่ขอบหน้าต่างแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อเนะบอกกับเมียบอกกับลูกต่อไปพ่อจะบินมาหาอย่างเงี้ยวันละปีละครั้งแล้วก็จะถอดขนขนหางขนไหลให้ให้พ่อเลี้ยงอัต ภ, ภาพในปีหนึ่งนเนี่ยนะในปีหนึ่งก็ทําอยู่างนี้เป็นเนืองนิดต่อมาลูกทั้งสี่คนก็ได้เรียนได้รับการศึกษา นี่พอได้รับได้เรียนได้การศึกษาเปศเสร็จมาก็เริ่มมีความคิดว่าก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มคุยปรึกษาประชุมกันก็ว่าการที่เราจะถอดค้นหางอดีตพ่อเนี่ยเพียงสองสามขนเนี่ยมันชักไม่พอแล้วอยากกันนั้นเลยก็เลยให้อุบายกับแม่บอกให้แม่แต่งตัวดีๆก็แล้วกันถ้าหากว่าพ่อบินมาใหม่ใบเปล้าวอลม เบสเซก็ช่วยกันจับมัดและถอนคนให้หมดเลยเราจะได้มีซับเยอะนี่นที่สุดจริงๆนกก็ตายนี่สรุปย่อยๆอย่างนี้เนียก็โดนอุบายนั้นก็จับถอนจะตายหมดเออถ้าหากเราจะอุปมาโลกใบนี้ก็เหมือนนกยุงทองโดนนั้นทรัพยากรที่อยู่ในบนป่าเขาลำเนาภัยในดินในน้ำเป็นต้นที่เป็นแร่ธาตุเป็นเงินเป็นทองทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับปีก และขนเป็นต้นของนกตัวนั้นทีนี้ตอนนี้นกตัวนี้ก็ถูกถอนทีนี้สภาพของเราเหมือนเราเรียนความรู้ทางโลกมันเยอะขึ้นจริงแต่ตอนนี้เราระดมพากันข้างถอนตอนนี้ป่าก็หมดภูเขาก็หมดในน้ําก็เล่นกันไปลุยแข่งกันเจาะในดินก็เยอะตอนนี้เล่นกันทุกรูปแบบเลยสรุปแล้วก็ตอนนี้นกตัวนี้จะตายแล้วมั้งวันนี้ นี่ไงว่าความโลภของของมนุษย์เนี่ยมันมัน ม, นไมัไม่พอหรอกยกโลกทั้งใบมันก็ไม่พอมันนี่นคือสภาพของความโลภทีนี้ทําลองอย่างนี้ก็คือสภาพสังคมก็ถูกบีบรัดโดยการแข่งขันด้วยการที่ว่าจะต้องคิดว่าความสุขคือการมีทรัพย์การได้ทรัพย์มา บ, มา ร, มาบริโภคทีนี้แล้วก็สภาพของความเครียดความวิ ต, ตกกังวลต่างหลายกลุ่มบุคคลเหล่านี้พอรู้ว่าเออที่เนี่ยมีที่ปฏิบัติทำแล้ว ด้วยความทุกข์ด้วยความบีบคัน้นทางสภาพสังคมก็หนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วเออเคยมีบางที่เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วก็ให้กลุ่มบุคคล น, นี้เข้าไปปฏิบัติธรรมกันผลประกฏวาพอเข้าไปเบ็เสร็จเนี่ยบางคนก็ต้องต้องเอาหมอทั้งโรคจิตเนี่ยไปคอยดูแลเต็มไปหมด คือที่เดินเดินตามท้องถนนกนันส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตนเองมีภาวะทางจิตนเนี่ยฉนันมันมีไปก่อนแล้วนี่กลุ่มเนี่ยเยอะไม่ใช่น้อยเลยนี่คือภาวะทางจิตจะมีไปแล้วฉะนั้นเวลาเข้าไปเบ็ดเสร็จก็ไปมีสภาพจิตแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นยิ่งไปยึดบางมุมบางกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ก็ไปเลยทีเนี่ยอันนี้กลุ่มก็ไม่ใช่น้อยส่อีกกุ่นหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ถูกให้คำสอนที่ที่ไม่ตรงก็ไปยึดโยงการปฏิบัติแล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งเลยทีนี้ถ้าถามบอกว่าด้วยการเข้ามาสู่ในพระศาสนาเนี่ยนะถ้าพระเจ้าสอนยังไงสิทาตามท่านว่ า, าทาพระเจ้าเนะี่ยถ้าสอนเครือข่ผู้ครองเรือนใะนพระเจ้าจะสอนยังไงพระเจ้าจะสอนเรื่องทานจะสอนเรื่องศีลใช่ไหม จะสอนเรื่องอนิสง์ของการให้ทานรักษาศีลแล้วก็จะสอนว่าแม้การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ได้อนิสง์จากทานกุศลศีลกุศลมีบริษัทธมีบริวารมากๆอย่างเนี้ยมีทรัพย์สมบัติมีบริวารอย่างเนี้ยมันก็เป็นโทษในการดูแลในการบริหารอย่างไรแล้วก็พูดให้อนิสง์การพากจิตออกจากกามคือราคะโทสะโมหะแล้วก็สรุปลงในอริยสัจเจตธรรมทั้ง4ี่คารวะลองเน้นการฟังพระธรรมที่ถูกต้องดูสิสภาพสังคมจะเปลี่ยนหมดเลย เช่นเช่นเย็นก็ถือดอกไม้ทูบเทียนฟังธรรมเอาที่ทาอย่างนี้ได้แต่พระธรรมนั้นต้องขับเน้นออกจากพระไตรปิฎกจริงๆอย่าเป็นพระธรรมดัดแปลงซึ่งมันไม่ดีจริงความคิดของคนในยุคนี้ไม่ดีจริงหรอกความคิดของคนที่มีกิเลสทั้งหลายเอามาแทะคาสอนพระเจ้าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้มันจะเป็นการว่าเหมือนแก้แก้ปัญหาแต่มันเพิ่มปัญหา เช่นแก้อีกปัญหาหนึ่งแต่ไปยัดยิดยงอีกปัญหาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเหมือนได้ความสงบทางกายและวาจาแต่ได้ทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดขึ้นมาอีกก็ไปทับซ้อนความเห็นเดิมอีกก็วิจิตขึ้นมาอีกแล้วจะทำยังไงเพราะคำสอนนั้นไม่ได้ถูกขับเน้นจากพระโอษฐของพทธเจ้าจริงๆ แต่เป็นคาสอนที่ตนเองดัดแปลงเอาคาสอนพเจ้าส่วนหนึ่งเอาส่วนของครูบาอาจารย์เอาส่วนความคิดนึกส่วนหนึ่งเอามาบวกเอามารวมกันขึ้นมามันก็คือไม่ใช่ของจริงเมื่อไม่องไม่ใช่ของจริงเนี่ยคุณภาพมันก็ลดเหมือนยาเนี่ยนะยาที่มีคุณภาพที่จะสักษาโรคได้เนี่ยแต่เราเห็นว่ายานี้คนไม่อยากใช้แล้วเพราะไป เดินตามมาเพราะตนเองไม่ยอมใช้เพราะตนเองก็เป็นผู้ป่วยเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยก็เลยไม่ใช้ยานี้พอไม่ใช้ยานี้เบียเศ็จก็เอาส่วนผสมพอไอ้ส่วนผสมที่ผสมเข้าไปเกิดมันเป็นโทษขึ้นมาแหละเห็นไหมที่สุดจริงๆเนี่ยมันยังเป็นยี่ห้อนั้นอยู่แต่เนื้อในของยานั้ น, นถูกดัดแปลงถูกผสมเรียบร้อยแล้วถามว่า การให้ยาทางโลกผิดเนี่ยก็คือการให้ตายหรือทุกปางตายนะแค่พบเดียวชาติเดียวนะแต่ให้คำสอนที่ผิดเนี่ยมันจะให้การตายในสังสารวัตรหรือทุกในสังสารวัตรจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบเช่นอริทกาภพิโคเนี่ยนั่นแหละให้ยาผิดออกจากสังสารวัตไม่ได้ หรือปุรณาัสปมะมคครีโคสาละอาชิตาเกศคำพลสัญชัยเวรพบุตรนิครนนาตบุตรกลุ่มเหล่านี้คือให้ยาผิดนะแล้วกลายเป็นตอของวัตตะไม่สามารถจะถอนตนเองออกจากชาติทุกข์ชรลาทุกข์พยาทุกข์และมรณะทุกข์เป็นต้นได้ฉะนั้นชาวพุทธขอให้ตั้งศรัทธาไว้ในพรุทธเจ้าและฟังคาสอนของพระองค์เถิด อย่าอย่าใช้คำสอนประยุกต์มันจะเป็นการเพิ่มทิฐิที่ผิดพลาดความเห็นที่ผิดพอได้ความเห็นที่ผิดเบ็ดเสร็จก็จะกลายเป็นวิจิตตอกันถูกการออกจากทุกข์มากขึ้นแล้วก็เราจะติดลมกบความคิดแล้วก็จะถูกความคิดของเราเป็นกรงในการที่จะทาให้เรานั้นนระ่วมหลงแล้วก็มัวเมาในสังสารวัฏ น, นี่เป็นอย่างนี้นะ sir so...